หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ชาวพุทธนำเอาอไปเป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตที่มั่นคงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจ ต่างๆนั้นคืออะไรก็คืออัตตาหิอัตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ตนจะพึ่งได้นอกจากตนเองเพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นสิ่งที่ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการเกิดก็มีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าไปเพิ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะเพึ่งไม่ได้พอเพึ่งไม่ได้ความสุข ก็จะหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาและในขณะที่พึ่งสิ่งต่างๆอยู่ความกังวลใจก็จะมีปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าไม่มีความมั่นใจกับสิ่งต่างๆว่าจะพึ่งได้ไปนานสักแค่ไหน แต่มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราสามารถที่จะพึ่งได้อย่างท้าวรสิ่งนั้นก็คือตัวเราเองคือใจของเรานี่ใจควรที่จะพึ่งใจไม่ควรที่จะไปพึ่งสิ่งต่างๆทั้งหลายแม้แต่ร่างกาย ก็พึ่งไม่ได้ร่างกายก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนร่างกายมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปถ้าใจพึ่งร่างกายพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจก็จะไม่สามารถพึ่ง ร่างกายได้อีกต่อไปเมื่อไม่สามารถพึ่งร่างกายได้ความสุขก็จะไม่มีมีแต่ความทุกข์มีความทุกข์จนถึงขนาดอยากจะฆ่าตัวตายไปก็มีเพราะไม่มีที่พึ่งทางอื่นมาทดแทนน่างกายพอพึ่งร่างกายไม่ได้ก็เลยหาความสุขไม่ได้ มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าเรารู้จักพึ่งตนเองคือใจพึ่งใจใจจะไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายใจเป็นสิ่งที่ไม่ไม่มีวันหายไปจากเราใจจะอยู่กับเราไปตลอด เพราะเรากับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเราพึ่งใจใช้ใจเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็จะมีความสุขไปได้ตลอดเวลาเพราะความสุขที่มีอยู่ในใจนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวร ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสงสอนให้เราพึ่งตนเองก็คือให้ใจพึ่งใจนี้เองเราก็คือใจเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเรียกว่าใจให้ผู้รู้ผู้คิดนี้พึ่งใจแทนไปพึ่งร่างกายตอนนี้พวกเราพึ่งร่างกายกันใช้ใจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ หาความสุขต่างๆกันใช้ร่างกายหาลาบยศสรรเสริญใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งสิ่งต่างๆที่หาอยู่นี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้เวลาหาได้ก็มีความสุข เวลาหาไม่ได้ก็จะมีความทุกข์เวลาหามาได้แล้วพอหมดไปก็ก็ต้องทุกข์แล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้สิ่งต่างๆที่หามาได้ให้ความสุขไปได้อย่างสม่าเสมอและตลอดเวลาเพราะสิ่งต่างๆที่หามาได้ ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปการพึ่งสิ่งต่างๆจึงเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะจะพึ่งไม่ได้ไปตลอดพระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องพึ่งร่างกาย ไม่ต้องเพ่งลาบยศสัรเสญไม่ต้องเพ่งรูปเสียงกล่นรสต่างๆคือให้เพ่งความสงบของใจความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่จะอยู่กับใจไปตลอดเป็นความสุขที่สามารถควบคุมบังคับได้สามารถรักษาให้อยู่กับใจไปได้ตลอดถ้ารู้จัก วิธีสร้างความสงบให้กับใจแล้วใจจะมีความสุขไปตลอดแล้วพอพอมีความสงบแล้วก็จะรู้จักวิธีรักษาความสงบนั้นให้คงอยู่กับใจไปตลอดความสงบที่อยู่กับใจนี้จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเพราะใจจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนั่นเอง ร่างกายนี้เกิดแก่เจ็บตายแต่ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายความสุขใจที่เกิดจากความสงบก็จะไม่มีวันจากไปจากใจไม่ได้เสื่อมตามไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ได้เสื่อมไปกับความเสื่อมของราบยศสรรเสริญ ของความสุขทางตาหูจมูกอินกายนี่ละคืออัตตาหิอั ต, ตโนนาโตนเป็นที่พึ่งของตนตนในที่นี้ก็หมายถึงใจใจนี้คือผู้ที่ใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆใช้ร่างกายหาราบยศจลาเสนหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวร<ม>ที่มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆนั้น ไม่คงที่ไม่แน่นอนบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีใจจึงควรที่จะเปลี่ยนวิธีการหาความสุขหาที่พึ่งใหม่ให้มาพึ่งใจให้มาพึ่งความสงบที่เป็นความสุขที่แท้จริงอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสร่ง ส่งคนพบที่พวกเราไม่มีการไม่มีใครรู้จักกันพวกเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องพึ่งร่างกายกันต้องพึ่งราบยศสารเสรินต้องพึ่งความสุขทางตาหูจมูกนกายกันแล้วพวกเราก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้กันมาเศร้าโศกเสียใจกันเวลาที่เราสูญเสีย ราบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเวลาที่ร่างกายของเราแก่ร่างกายของเราเจ็บร่างกายของเราตายไปเพราะเราไม่รู้จักที่พึ่งที่แท้จริงว่าเป็นอะไรนั่นเองถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เราเราจะไม่รู้คำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนี้หมายความว่าอย่างไรอย่างแท้จริงถ้าเราได้ยินแบบผิวเผินเราก็จะคิดว่าอัตตาหิอัตโนนาโถก็คือการพึ่งร่างกายพึ่งตัวเราเองพราเราจะคิดว่าร่างกายนี้คือตัวเราเองอันนี้ก็เป็นการพึ่งได้ในระดับหนึ่ง ถ้าเราพึ่งตัวเราเองได้มันก็ดีกว่าพึ่งคนอื่นถ้าเราพึ่งคนอื่นคนอื่นถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเขาตายไปเราก็จะไม่สามารถพึ่งเขาได้แต่เรายังพึ่งร่างกายของเราได้แต่แม้แต่ร่างกายของเราต่อไปมันก็พึ่งไม่ได้ถ้าเราคิดว่าอัตตาหิอ ah ัตโนนาโถเป็นการพึ่งร่างกาย อันนี้ก็จะเป็นความเข้าใจผิดก็จะเพึ่งได้ในระดับหนึ่งคือถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างเพึ่งร่างกายของตนเองกับเพึ่งร่างกายของคนอื่นการเพึ่งร่างกายของตนเองได้ได้นี้ย่อมมีความมั่นคงกว่าการเพึ่งร่างกายของคนอื่นเพราะว่าคนอื่นนี้บางทีเขาก็จะจากเราไปได้บางทีเขาก็ ไม่สามารถที่จะให้เราพึ่งได้แต่ถ้าเรายังมีร่างกายของเราอยู่เราก็ยังพึ่งได้ถ้าเรารู้จักใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งของเราแต่แม้แต่ร่างกายของเราที่เราคิดว่าเป็นที่พึ่งของเรามันก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป อันนี้เป็นความเข้าใจในระดับที่ผิวเผินยังไม่ลึกซึ้งความเข้าใจหลักของคําว่าอัตตาหิอนัอตนาวนาเถตนเป็นที่พึ่งของตนที่ลึกซึ้งนี้ต้องได้จากการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนว่าที่พึ่งที่แท้จริงที่ พึ่งที่ถาวร น, นี้คือใจไม่ใช่ร่างกายใจนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายไม่เหมือนกับร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายจะมีความสามารถมากน้อยเพียงใดก็ตามสามารถหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสามารถเป็นใหญ่เป็นโตได้ แต่ก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปถ้าใจไปพึ่งร่างกายใจก็จะผิดหวังเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการคือหาความสุขให้กับใจได้ดังนั้นที่พึ่งที่แท้จริงที่เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถก็คือใจนี้เองใจต้องพึ่งใจ พึ่งอย่างอื่นไม่ได้พึ่งร่างกายไม่ได้พึ่งลาบยศสรรเสริญพึ่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้พึ่งได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่ไม่ถาวรไม่ตลอดไปแต่ถ้าได้พึ่งใจแล้วจะพึ่งได้ไปตลอดเพราะใจนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตาย ไม่มีวันดับไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่คืออัตตาหิอัตโนนาโถ ท, ที่แท้จริงก็คือการพึ่งใจการวิธีที่จะพึ่งใจก็คือต้องทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วใจจะให้ความสุขแก่ใจ เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ความสุขที่เราได้จากเงินทองไม่ว่าจะเป็นกี่ร้อยพันล้านก็ตามสู้ความสุขที่ได้จากความสงบของใจไม่ได้ความสุขที่เราได้จากการได้รับตำแหน่งเป็นใหญ่เป็นโตมากน้อยขนาดไหนก็ตามจะเป็นนายกเป็นประธานาธิบดี เป็นพระมหากษัตริย์ก็ซื้อความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ความสุขที่ได้จากการสรรเสริญได้รับรางวัลต่างๆก็ซื้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะต่างๆเช่นดูดูสิ่งที่อยากดูฟังสิ่งที่อยากฟังกินกินหรือดืม่ม ในสิ่งที่อยากกินอยากดืม่มก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้เป็นความสุขที่มีรสชาติที่ดีกว่าดังที่พระ อ, องค์ทรงตัดไว้ว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงนี่แหละคือรสแห่งธรรมก็คือรสของความสงบนี่เองเป็นรสที่ชนะรสทั้งหลาย รสอื่นๆที่มีอยู่ในโลกเช่นลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้เป็นรสชาติที่ดีกว่าและมั่นคงกว่ายั่งยืนกว่าถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดแต่รสชาติของอย่างอื่นนี้เป็นรสชาติชั่วคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดภาคจากกันไปมีการสิ้นสุดงลงสาเหตุที่พวกเราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราเลือกที่พึ่งผิดนั่นเองเราไม่ได้เลือกที่พึ่งคือใจเราไปเลือกที่พึ่งคือร่างกายและสิ่งต่างๆที่ร่างกายสามารถหามาได้ เช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆตำแหน่งต่างๆรางวัลต่างๆรูปเสียงกิ่นรสผลตภะต่างๆที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับรักษาให้อยู่กับเราเพื่อให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลามันมักจะ ไปไปมามาเกิดเกิดดับดับบางทีได้ามาปั๊บบางทีก็หมดไปก็ต้องไปหาใหม่หามาได้เดี๋ยวก็หมดไปอีกเช่นความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวเวลาเราไปเที่ยวเราก็มีความสุขกันพอเรากลับมาถึงบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดพอต้องอยู่บ้านไปสักระยะหนึง่งก็จะเกิดอาการเบื่อขึ้นมา เกิดอาการไม่สบายใจขึ้นมาเพราะอยากจะออกไปเที่ยวอีกอยากจะไปหาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวอีกก็ต้องออกไปเที่ยวอีกก็จะต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆน่าจะต้องเจ อ, เอปัญหาต่อไปเพราะอาจจะออกไปเที่ยวไม่ได้เวลาอยากจะไปเที่ยวเช่นไม่มีเงินทองเงินทองหมดก็จะไม่สามารถไปเที่ยวได้ หรือมีเงินทองแต่ร่างกายไม่สบายก็ไปไม่ได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายพิกลพิการเป็นอมพึกเป็นอมภาตหรือร่างกายแก่ชราไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะออกไปเที่ยวเตอนนั้นก็จะไม่สามารถหาความสุขได้เมื่อไม่สามารถหาความสุขได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเอ จนถึงกับอยากจะคิดฆ่าตัวตายมีข่าวในเมื่อเร็วๆนี้มีชายชราอายุร้อยกับหนึ่งปีอยากจะฆ่าตัวตายทำไมถึงอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าร่างกายมันแก่มากอยู่ไปก็ไม่มีความสุขหาความสุขผ่านทางร่างกายไม่ได้มีแต่ความ มีแต่ความเหงามีแต่ความเศร้ามีแต่ความว้าเหวก็เลยไม่อยากจะอยู่นี่แหละคือที่พึ่งที่พวกเรากำลังพึ่งกันอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เป็นอัตตาหิอัตโนนาถไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งชั่วคราวเป็นที่พึ่งที่ไม่แน่ไม่นอน เวลาพึ่งได้ก็มีความสุขเวลาพึ่งไม่ได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ดังนั้นพวกเราควรที่จะมาศึกษาวิธีสร้างที่พึ่งที่แท้จริงกันดีกว่าเพราะนานๆเราจะได้มีโอกาสได้พบกับคนที่รู้จักสร้างที่พึ่งที่แท้จริง ให้แก่เราก็คือพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่รู้จักสร้างที่พึ่งที่แท้จริงท่านรู้จักวิธีสร้างความสงบสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบที่จะให้ความสุขกับใจไปตลอด ย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราอยากจะมีที่พึ่งที่แท้จริงอยากจะมีความสุขที่ถาวรปราศจากความทุกข์เราก็ต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีแล้วก็เหลือแต่พระธรรมกับพระอริยสงสาวกพระสุ ป, ปฏิปันโนพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบท่านจะเป็นผู้ที่สอนวิธีที่จะทำให้เรามีที่พึ่งที่แท้จริงท่านจะสอนวิธีทำใจให้สงบกับเราแล้วพอเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบแล้วเรานาเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้ความสงบเพราะทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะมีความสงบได้ ถ้าทุกคนปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตามที่พระธรรมคำสอนตามที่พระอริยสองสาวกสอนให้ปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี้เป็นเหตุที่จะทำให้ผลคือความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ปรากฏขึ้นมาไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจะต้องเป็นนักบวชเพียงอย่างเดียว ใครก็ได้ที่สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็สามารถที่จะทำใจให้สงบได้ที่จะทำให้เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นข่าวว่าผู้ครองเรือน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นตัวที่จะกําหนดให้เกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมาสิ่งที่จะเป็นตัวกําหนดให้เกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมาคือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติตามคำสอนได้ก็จะได้รับผลคือได้รับความสงบ ได้ที่พึ่งทางใจที่แท้จริงที่เป็นอัตตาหิอัตานาโนโอัตาโนนาโถก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่เองนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปมาสอนก็จะสอนเหมือนกันหมดสอนวิธีสร้างที่พึ่งของตน สร้างอัตตาหิอัตโนนาโถด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดังนั้นถ้าเราอยากจะมีตนเป็นที่พึ่งของตนมีที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรที่เราพึ่งได้ไปไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ก็จะไม่เป็นปัญหาเราก็ต้องมาสร้างที่พึ่งกันเอง เพราะไม่มีใครมาสร้างที่พึ่งนี้ให้กับเราได้พระพุทธเจ้าสร้างให้เราไม่ได้พระอริยสงสาวกสร้างให้เราไม่ได้ครูบาอาจารย์สร้างให้เราไม่ได้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายสร้างให้เราไม่ได้เราต้องเป็นคนสร้างที่พึ่งอันนี้ขึ้นมาเองและเราทุกคนมีสิทธิที่จะสร้างที่พึ่งอันนี้ได้ ใจของพวกเราทุกคนนี้เป็นใจเหมือนกันเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดเหมือนกันมีสมรรถภาพมีศักยภาพที่จะสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาได้ด้วยกันทุกคนอยู่ที่ว่ามีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เท่านั้นเอง ถ้ามีศรัทธาความเชื่อว่าการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจะเป็นการสร้างที่พึ่งที่แท้จริงเป็นก า, การสร้างที่พึ่งที่ถาวรที่จะให้ความสุขกับใจไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้ามีศรัทธาก็จะมีความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามถ้าไม่มีศรัทธา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 เบื้องต้นก็ต้องเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงเป็นของจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่แต่งกันขึ้นมาเป็นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่มาเกิดในโลกนี้แล้วได้ทรงค้นพบวิธีสร้างที่พึ่งที่แท้จริงให้กับพระองค์เองหลังจากที่ได้สร้างที่พึ่งให้กับพระองค์แล้วพระองค์ก็นํามาสอนคนอื่น คำสอนที่มาสอนคนอื่นก็เรียกว่าพระธรรมคําสอนสอนวิธีสร้างที่พึ่งให้กับผู้อื่นพอผู้ที่ได้ยินได้ฟังเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาน้อมนําเอาไปปฏิบัติก็บรุกเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาเป็นผู้ได้สร้างที่พึ่งทางใจขึ้นมาได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบขึ้นมา น, นี่คือหลักของความเชื่อในพระพุทธศาสนาเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ค้นพบวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงสร้างที่พึ่งที่แท้จริงแล้วนำเอาวิธีนี้มาสั่งสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราพอพวกเราพอได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อ เราก็นำเอาไปปฏิบัติเ <Yeah. S 2> พอเราปฏิบัติไปผลก็จะปรากฏขึ้นมา <Yeah. S 2> ความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะปรากฏขึ้นมา <Yeah. S 2> ใจของเราก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงเลิกพึ่งร่างกายได้เพราะเมื่อเรามีความสุขจากการมีศีลสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกาย yeah. ไม่ต้องพึ่งลาบยศ ส, สรเิญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกิ่นรสต่างๆร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเรายังสามารถมีความสุขได้มีที่พึ่งให้ความสุขกับเราได้ต่อไปเพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั้นเองนี่คือเรื่อง ที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นมาเบื้องต้นก็คือศรัทธาความเชื่อเหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายเราก็เชื่อหมอเชื่อโรงพยาบาลเราจึงไปหาหมอไปหาโรงพยาบาลเพราะเราเชื่อว่าหมอนี้จะช่วยเราได้จะรักษารโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่ให้หายได้เรามีศรัทธาในหมอศรัทธาในโรงพยาบาล เราก็ไปหาหมอไปที่โรงพยาบาลหมอสั่งให้ทําอะไรเราก็ทําตามที่หมอสั่งหมอสั่งให้ยาเราก็เอายามารับประทานหมอสั่งให้ผ่าตัดเราก็ให้หมอผ่าตัดเราจะไม่มีการขัดขืนคําสั่งของหมอเลยเพราะเราเชื่อหมอร้อยเปอร์เซนว่าหมอนี้จะช่วยเราได้จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ของเราให้หายไปหมดได้ฉันใดการเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนกับการเชื่อหมอเชื่อโรงพยาบาลเชื่อยานี่เองเพราะว่าใจของเราตอนนี้เป็นเหมือนกับคนไข้คนไม่สบายเป็นใจที่ยังมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมีความวิตกกังวลมีความหวาดกลัวมี ความรู้สึกไม่ดีต่างๆอยู่ตลอดเวลาที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยสามารถจะจะสามารถช่วยรักษาให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้หายไปได้หมดเลยหายไปอย่างถาวรหายไปอย่างไม่มีวันกลับมาอีกต่อไปถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ คำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนคำสั่งของหมอหมอสั่งให้กินยาเราก็กินยาหมอสั่งให้ผ่าตัดเราก็ผ่าตัดท่านใดพระพุทธเจ้าสอนให้เรารักษาศีลเราก็ต้องรักษาศีลกันสอนให้เราฝึกสมาธิทำสมาธิเราก็ต้องฝึกสมาธิทำสมาธิกันสอนให้เร า, า, า, า เ, ราาาาเราจริญปัญญา สอนให้เรามีปัญญาเราก็ต้องมีปัญญากันถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถทาใจให้สงบได้ทาใจให้มีความสุขขึ้นมาได้แล้วพอใจของเรามีความสุขแล้วเราก็จะไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นๆอีกต่อไปไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญ ไม่ต้องเพ่งรูปเสียงกลิ่นรสผดทพต่างๆดังนั้นถ้าเรามีความเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่จะทำให้เราได้พบกับที่พึ่งที่แท้จริงที่จะปกป้องรักษาใจของเราให้มีแต่ความล่อมเย็นเป็นสุขไปตลอดไม่ให้มีความทุกข์เข้ามา เบียดเบียน เ, ออเราก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า อ, อคําสอนขั้นที่หนึ่งท่านก็สอนให้เรารักษาศีลกันละการกระทําบาปเพราะการกระทําบาปนี้เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจนั่นเองเวลาเราทําบาปนี้ใจเราจะไม่สบายเช่นเวลาเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเดิมสุรายามเมา อย่าทำให้ใจเราไม่สบายถ้าเราอยากจะให้ใจเราสบายเราก็ต้องอย่าไปทําบาปนี่คือข้อที่หนึ่งต้องรักษาศีลศีลก็มีเป็นขั้นๆขั้ น, นต้นก็คือศีลห้าเราต้องเริ่มต้นที่ศีลห้ากันก่อนละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเดิมสุรายาเมาน พอเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็ต้องขยับขึ้นไปสู่ศีล8ปดเพราะว่าศีลห้านี้ยังไม่เพียงพอต่อการที่จะทําให้ใจของเราสงบที่จะทำให้เรามีที่พึ่งทางใจได้ดังนั้นพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็ต้องมาหัดรักษาศีล8กันตอนต้นก็เอาวเวลาครั้ง อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อนเช่นวันพระสมัยก่อนวันพระนี้เป็นวันหยุดทำงานสมัยนี้วันพระกับวันหยุดทำงานของพวกเราอาจจะไม่ตรงกันบางทีก็ตรงบางทีก็ไม่ตรงเพราะวันหยุดทำงานของพวกเราเดี๋ยวนี้ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์แต่วันหยุดทำงานสมัยโบราณนี้จะตรงกับวันแรมวันขึ้นแรม แปดค่ำสิบห้าค่ำเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบห้าค่ำเราวันพระของสมัยโบราณกับสมัยนี้จึงมักจะไม่ตรงกันเราก็ต้องยึดเอาวันหยุดทำงานของเราเป็นวันพระเพื่อที่เราจะได้มีเวลามารักษาศีลแปดกันเพราะการรักษาศีลแปดนี้จะห้ามให้เราไม่ให้ไปทากิจกรรมหลายอย่างด้วยกัน เช่นการรับประทานอาหารก็ให้รับประทานได้แค่เพียงเที่ยงวันเท่านั้นถ้าเป็นวันทำงานเราก็จะรักษาศีลข้อ น, นี้ไม่ได้เพราะเราจะพักกินอาหารตอนเที่ยงวันเวลาเราทำงานถ้าเราถือศีลแปดเราก็พอถึงเที่ยงวันเราก็รับประทานอาหารไม่ได้จะรับประทานก่อนก็รับประทานไม่ได้เพราะยังเป็นเวลาทำงานอยู่ เห็นการจะรักษาศีลแปดได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างสะดวกก็ต้องรักษาในวันหยุดทํางานเราต้องถือวันหยุดทํางานของเราเป็นวันพระแทนวันพระแบบสมัยโบราณที่ยังใช้ปฏิทินของโบราณอยู่คือใช้จันทรคติใช้วันขึ้นแลมเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบแปดค่ำสิบห้าค่ําเป็นวัน เป็นวันพระเป็นวันหยุดทํางานอยู่เดี๋ยวนี้เราก็ต้องเอาวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เราหยุดทํางานนี้มาเป็นวันพระกันอย่างนั้นเช่นวันนี้เป็นวันเสาร์เราไม่ต้องทํางานถ้าเราอยากจะหัดรักษาศีลแปดเราก็มารักษากันในวันเสาร์นี้หรือวันวันอาทิตย์ก็ได้การรักษาศีลแปดนี้ถ้าเป็นไปได้ไปรักษาที่วัดมันจะง่ายกว่ารักษาที่บ้าน เพราะว่าเวลาเราอยู่ในบ้านคนอื่นเขาอาจจะไม่รักษาศีลแปดเหมือนเราคนอื่นเขายังกินข้าวเย็นกันอยู่เราไม่กินข้าวเย็นพอเวลาเขากินข้าวเย็นบางทีเขาก็จะชวนเราเรียกเราพอเราไม่ไปกินเขาก็จะมาลบกวนว่าทำไมไม่กินเป็นอะไรหรือเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องมาอดข้าวเย็นกันแต่ถ้าเรามาอยู่วัดนี่ทุกคนก็จะถือศีลแปดเหมือนกัน ทุกคนจะไม่กินข้าวเย็นเหมือนกันก็จะไม่มีอุปสรรคต่อการรักษาศีลแปดวิธีที่รักษาศีลแปดนี้จึงต้องหัดรักษาในวันหยุดทํางานเพราะถ้าเราไม่หยุดทํางานเราก็จะไปอยู่วัดไม่ได้ถ้าเราถ้าเราไปสมมติว่าวันพระข้านี้ข้าวหน้านี้ตรงกับวันจันทร์เนถ้าเราถือวันจันทร์เป็นวันพระแต่เราต้องไปทํางาน เราก็จะไม่สามารถรักษาศีลแปดได้อย่างส ะ, สะดวกง่ายได้แต่ถ้าเราถือวันจาวาทิตย์เป็นวันพระเพราะเป็นวันหยุดทำงานของเราเราก็สามารถที่จะรักษาศีลแปดได้อย่างสะดวกง่ายได้เพราะเราจะไปอยู่กับคนที่เขารักษาศีลแปดด้วยกันถ้าเราไปอยู่กับคนที่ไม่รักษาศีลแปดเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ เช่นแฟนเราเขาไม่รักษาศี 8, าลแปดนรักษาศีลแปดเดี๋ยวตอนกลางคืนแฟนเขาอยากจะนอนกับเราเราบอกว่านอนไม่ได้เพราะเราถือศีลแปดเดี๋ยวกะมุ้งก็แตกเดี๋ยวเตียงก็หักเดี๋ยวก็อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาดเกิดปัญหาอาจจะคิดว่ามีนอกมีในหรือไงเดี๋ยวนี้ถึงไม่สามารถที่จะนอนกับเขาได้โดยมาอ้างว่าถือศีลแปด นี่คืออุปสรรคของการรักษาศีลแปดถ้าเรารักษาที่บ้านนี้มันจะลําบากถ้าเรารักษาในวันที่ทำงานก็จะลําบากดังนั้นสมัยปัจจุบันนี้เราต้องปรับวันพระของเราเพราะวันพระความหมายของวันพระก็คือวันหยุดทำงานเพื่อที่เราจะได้มีเวลาไปวัดไปไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันนั่นเอง พระพุทธเจ้ากําหนดวันพระขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านหยุดทํางานกันชาวบ้านสมัยก่อนเป็นชาวนาชาวไร่เป็นส่วนใหญ่ mm hmm. ก็จะหยุดทํางานในวันพระหยุดปลูกข้าวหยุดปลูกต้นไม้กันแล้วก็ไปวัดไปยื้ไปวัดไปรักษาศีลกัน mm hmm. เบื้องต้นก็อาจจะไปทําบุญใส่บาตรก่อนแล้วก็รักษาศีลห้า mm hmm. ถ้ารักษาศีลห้าก็ไม่ต้องอยู่วัดก็ได้ ไปแล้วก็กลับบ้านได้แต่ถ้าจะรักษาศีลแปดก็ควรจะอยู่วัดเพราะว่าคนที่บ้านกับคนที่วัดนี้ถือศีลไม่เหมือนกันนคนที่บ้านอาจจะถือศีลห้าแต่ไม่ถือศีลแปดกันคนที่อยู่วัดนี้เขาจะถือศีลแปดกันดังนั้นสมัยใหม่นี้ถ้าเราอยากจะเป็นชาวพุทธที่เข้มข้นเหมือนกับสมัยพุทธกาล เราก็ต้องเปลี่ยนวันหยุดเปลี่ยนวันพระมาตรงให้กับตรงวันหยุดของเราเราอย่าไปดูวันขึ้นแลมแปดค่ำสิบห้าค่ำให้มาดูวันหยุดทำงานของเราเราหยุดวันทำงานวันไหนก็ถือวันนั้นเป็นวันพระได้แม้แต่วันหยุดชดเชยถ้ามีวันหยุดชดเชยเราจะถือวันนั้นเป็นวันพระก็ได้เพราะเราไม่ต้องทำงานเราไปอยู่วัดได้ ถ้าเราเทิงี้เราจะได้กาไรเพราะว่าเราจะมีวันหยุดมีวันพระเยอะอาทิตย์หนึ่งเราจะมีวันพระสองวันวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระเราจะไปอยู่วัดได้ถึงสองวันมากกว่าสมัยก่อนที่มีวันพระเพียงอาทิตย์ละวันนี่คือการปฏิบัติต้องไต่เต้าขึ้นไปจากน้อยไปหามากก่อนเพราะการรักษาสีนี้เป็นสิ่งที่ ไม่ใช่จะทำกันได้อย่างง่ายดายเพราะมันต้องควบคุมบังคับจิตใจเพราะนิสัยของเรามักจะชอบทำอะไรแบบไม่มีศีลกันบางทีก็ชอบพูดปลดกันจนเป็นนิสัยไปติดเป็นนิสัยไปพอะจะมารักษาศีลศีลมันก็จะขาดอยู่เรื่อยๆศีลจะไม่บริสุทธิ์เราจึงต้องคอยควบคุมบังคับใจเรา บังคับว่าต่อไปนี้วันนี้จะถือศีลห้าว่าไปต่อไปนี้วันนี้จะถือศีลแปดแล้วพอจะถือศีลเราก็ต้องศึกษาว่าศีลมีศีลห้ามีอะไรบ้างศีลแปดมีอะไรบ้างการจะถือศีล น, นี้ความจริงไม่ต้องไปขอกับพระก็ได้ถ้าเรารู้แล้วว่าศีลห้ามีอะไรศีลแปดมีอะไรเราก็ไม่ต้องไปขอศีลกับพระ ที่ไปขอสิญกับพระก็สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าสีลห้ามีอะไรสิลแปดมีอะไรเวลาเราไปขอสิญพระท่านก็บอกว่าสิลขอ้อที่หนึ่งปาณาติปาตาเวลมณีละเวน้นจากการฆ่าสัตว์ท่านเป็นผู้สอนผู้บอกสำหรับผู้ที่ไม่รู้ก็ต้องไปถามพระไปขอจากพระแต่พอเรารู้แล้วว่าสีลห้ามีอะไรเราต้องการรักษาเราสามารถรักษาได้ทันทีเลย ไม่ต้องไปรอไปที่วัดไปขอพระไปสมาทานกับพระเราสามารถสมาทานกับตัวเราเองได้เราเพียงแต่ตั้งสติตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาว่าวันนี้จะรักษาศีลห้าจะละจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดเดิมสุลายาเมาพอเราตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาเราก็ สามารถรักษาได้แล้วไม่ต้องมีพระมามาให้ศีลกับเราไม่ต้องไปวัดถ้าเราไม่สะดวกที่จะไปวัดเช่นการรักษาศีลห้านี้เราสามารถรักษาได้ทุกแห่งทุกคนทุกวันวันทํางานก็รักษาได้เพราะว่าศีลห้าไม่ได้ห้ามเรื่องของการรับประทานอาหารไม่ได้ห้ามเรื่องของการร่วมหลับนอนกับแฟน ถ้าจะร่วมหลับนอนต้องร่วมหลับนอนกับแฟนแต่ไปหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนไม่ได้เท่านั้นเองนะ yeah. นั้ น, น, นการรักษาศีล น, นี้ถ้าเรารู้แล้วว่าศีลห้ามีอะไรศีลแปดมีอะไรเราไม่ต้องไปขอจากพร ะ, เ, ออะร 5, เราอยากจะรักษาศี 8, ลห้าเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาเราอยากจะรักษาศีลแปดเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมา แล้วก็คอยเฝ้าดูว่าเรากําลังทําผิดศีลหรือไม่พอเราจะฆ่าสัตว์พอยุ่งมาแตะเราจะตบมันเราก็ต้องหยุดมันแทนที่จะตบมันเราก็เขียมันไปหรือเอาอะไรมาปัดมันไปมาไล่มันไปเราอย่าไปฆ่ามันแล้วพอถึงเวลาหลังเที่ยงวันเราอยากจะกินนะอาหารเราก็ต้องหยุดต้องห้ามกินเอแต่กินอะไรก็กินให้เสร็จก่อนเที่ยง การที่เราหยุดการกินอาหารหลังเที่ยงก็เพื่อที่จะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลากับการมาหาอะไรกินอยู่เรื่อยๆเพราะเราต้องการเอาเวลานี้มาปฏิบัติสมาธิกันมาเจริญสมาธิเพื่อทำใจให้สงบกันอยศีลแปดนี้มีหน้าที่เอาเวลาที่เราเอาไปใช้กับกิจกรรมอย่างอื่นมาใช้กับการปฏิบัติสมาธิและปัญญานั่นเอง สินข้อร่วมหลับนอนกับแฟนก็ให้หละ ง, งับไปงดเว้นการร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนเพื่อจะได้เอาเวลาที่จะไปร่วมหลับนอนกันนี้มานั่งสมาธิมาฝึกจิตมาทำใจให้สงบกันถ้าเราไม่ถือสินแปดเดี๋ยวเราอยากจะนอนกับแฟนเราก็จะไปนอนกับแฟนพอนอนกับแฟนก็เลยไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิกัน ศีลแปดนี้ทำไมต้องรักษาศีลแปดก็รักษาเพื่อที่จะได้ให้เรามีเวลามาปฏิบัติธรรมคือศีลปฏิบัติสมาธิและปัญญากันนั่นเองถ้าถือศีลห้านี่เดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ศีลข้อสาก็ห้ามไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกันศีลข้อหก็ไม่ให้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะนอกจากการมีเวลา มานั่งสมาธิแล้วก็จะทำให้ไม่รับประทานอาหารมากเกินไปเพราะถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปก็จะทำให้เกิดความง่วงนอนขึ้นมาเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งหลับจะไม่อยากนั่งอยากจะนอนแทนแต่ถ้าเราไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราจะไม่รู้สึกง่วงเวลาที่เรานั่งสมาธิอันนี้ก็เป็นเหตุทำไมเราต้องมารักษาศีลแปดกัน เพื่อที่จะมาสนับสนุนการปฏิบัติสมาธิและปัญญานั่นเองนะครับินข้อที่เจ็ดก็จะห้ามไม่ให้เราไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ให้เราไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไม่ให้ไปลงมหอรลสบอะไรต่างๆเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เราจะไปเที่ยวนี้มานั่งสมาธิกันนั่นเองแล้วก็ห้ามไม่ให้เราแต่งเนื้อแต่งตัว แต่งหน้าทาปากเสริมสวยความงามด้วยเครื่องสำอาด้วยน้ามันน้ำหอมด้วยเสื้อผ้าที่วิจิตรพิสดารเพราะว่ามันเสียเวลาเอาเวลาที่จะมาเสริมความงามของร่างกายนี้มาปฏิบัติธรรมดีกว่ามานั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบมาเจริญปัญญาเพื่อสอนใจ ให้รักษาความสงบให้อยู่กับใจไปตลอดนี่คือหน้าที่ของศีลแปดถ้าเราอยากจะสร้างที่พึ่งทางใจที่ถาวรที่เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถเราต้องมาหัดถือศีลแปดกันถ้าเรายังถือศีลห้าไม่ได้ก็ต้องหัดถือศีลห้าให้ได้ก่อนวันธรรมดาที่เราถือศีลห้าได้ทุกวันวันไหนเราก็ถือได้ ไม่ยากเย็นแต่ถ้าศีลถ้าจะหัดถือศีลแปดนี่จะต้องเป็นวันหยุดทํางานจะสะดวกกว่าแล้วก็ต้องไปหาที่อยู่ที่ไม่ไปปนกับคนที่เขาไม่ถือศีลแปดเพราะถ้าไปอยู่กับคนที่ยังไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเขาก็ชวนเราไปทํากิจกรรมต่างๆเดี๋ยวก็ชวนไปกินอาหารเย็นกันชวนไปเที่ยวกันชวนไปเล่นกันชวนไปร่วมหลับนอนกัน เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบกันถ้าเราถือศีลแปดเราก็ต้องถือในวันที่เราว่างจากการทําภารกิจการงานต่างๆแล้วก็ไปหาที่สงบที่ที่ไม่มีอะไรม า, ามาล่อใจให้ไปทําผิดศีลแปดกันไปอยู่กับพวกที่เขารักษาศีลแปดกันก็จะไม่มีใครมาชวนให้เราไป ละเมิดศีลแปดกันนั่นเอง <c oughs> นี่คือสาเหตุทำไมเราต้องมาถือศีลแปดกันเพราะถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราจะไม่มีเวลาเราจะเอาเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเราจะไปหาที่พึ่งทางอื่นกันหาที่พึ่งทางตาหูจมูกลิ้นกายกันหาที่พึ่งทางร่างกายกันซึ่งต่อไปเราจะพึ่งไม่ได้แล้วเราจะเดือดร้อน แต่ถ้าเราเอาเวลานี้มาหาที่พึ่งทางใจมาทำใจให้สงบกันต่อไปเราก็จะมีที่พึ่งทางใจเราจะมีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วต่อไปเวลาเราไม่สามารถพึ่งทางร่างกายไดไ้ไม่สามารถพึ่งทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรายังมีความสุขได้จากการมีที่พึ่งทางใจ พอเราจะรู้จักวิธีทำใจให้สงบก็คือการมาฝึกนั่งสมาธินี่เองการนั่งสมาธินี้ก็ต้องรู้จักวิธีนั่งเหมือนกับการว่ายน้ำการจะว่ายน้ำก็ต้องรู้จักวิธีว่ายถ้าว่ายไม่เป็นก็น้ำตกลงไปในน้ำก็จมน้ำตายได้แต่ถ้ารู้จักวิธีว่ายก็จะไม่มีวันตายเวลาจบตกลงไปในน้ำเพราะจะว่ายได้ พอรู้จักไหว้แล้วก็จะไหว้ไปได้ตลอดจะไม่มีวันลืมถ้ารู้จักวิธีทําใจให้สงบแล้วก็จะไม่ลืมจะสามารถทําใจให้สงบได้ตลอดเวลาต้องการให้ใจสงบเมื่อไหร่ก็สามารถทําใจให้สงบได้ต้องการความสุขจากใจเมื่อไหร่ก็สามารถทําได้ทันทีแต่จะทําทได้ก็ต้องมาฝึกก่อนต้องมาหัดก่อนเหมือนกับการหัดว่ายน้ําหรือหัดขี่จั ก, กรยาน ถ้าไม่ขี่จั ก, กรยานไม่เป็นขี่ก็ไม่ได้ขี่ปั๊บเดี๋ยวก็ล้มแต่ถ้าหัดขี่ไปต่อไปก็ขี่ได้พอขี่ได้แล้วต่อไปขี่แบบไม่ไม่ใช้มือก็ได้ปล่อยมือขี่ก็ได้เพราะสามารถรู้จักวิธีควบคุมจั ก, กรยานใจเราก็เหมือนจั ก, กรยานเหมือนร่างกายที่ว่ายน้ำถ้าเรารู้จักควบคุมจั ก, กรยานรู้จักควบคุมร่างกายเวลาร่างกายตกลงไปในน้าก็จะไม่จมน้าตาย ชันในใจเราถ้าเรารู้จักควบคุมใจทำใจให้สงบได้เราก็จะมีความสุขได้ตลอดเวลาดั <S <S 1> <S 1> างนั้นเราต้องถือศีลแปดเพื่อให้เรามีเวลามาฝึกสมาธิกันถ้าเราถือศีลแปดแล้วหลังจากเที่ยงวันไปนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็สามารถเอาเวลาตั้งแต่เที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันไปจนถึงเวลาที่เราจะนอนนี้มาฝึกสมาธิกัน การจะฝึกสมาธิการที่จะทําใจให้สงบได้นี้สิ่งที่เราจะต้องมีก่อนก็คือสติสติก็คือสิ่งที่จะมาหยุดมาทําให้จิตสงบนั่นเองปกติจิตจะไม่อยู่นิ่งๆจิตชอบคิดคิดอยู่ตลอดเวลาคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับหลังจากหลับไปก็ยังคิดต่อเวลาคิดเวลาหลับก็เป็นความฝันขึ้นมาถ้าเราต้องการหยุดความคิด ถ้าเราต้องการทำใจให้สงบเราต้องหยุดความคิดให้ได้สิ่งที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องสร้างขึ้นมาอะไรคือสติสติก็คือผู้ที่รู้ว่ากำลังคิดอะไรแล้วบอกให้หยุดคิดได้เช่นตอนนี้เรากำลังคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วเราบอกว่าไม่ต้องการคิดให้หยุดคิดถ้าเราสั่งมาแล้วมันยังไม่หยุดคิดก็แสะดงว่าเราไม่มีสติพอที่จะหยุดความคิดได้ ถ้าเราไม่มีสติพอที่จะหยุดความคิดเราก็ต้องสร้างสติกันขึ้นมาวิธีสร้างสติเราก็ต้องเอาสายกรรมฐานที่เป็นตัวเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราหยุดความคิดได้กรรมฐานนี้ก็มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันแต่เราสามารถเราเลือกใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวก็พอ เช่นเราจะรู้จักกรรมฐานที่เรารู้จักกันดีก็คือคําบาลีรมพุทโธพุทโธถ้าเรากําลังเคลื่อนไหวอยู่กําลังทําอะไรอยู่แล้วใจเราคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราอยากจะให้มันหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆเราก็ให้มันคิดอยู่กับคําพุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อพอเราถ้าเรามีสติแล้ว เราก็สามารถจะนั่งสมาธิได้วิธีทำไมเราต้องนั่งสมาธิเพราะถ้าเราไม่นั่งเฉยๆจิตจะไม่สงบอย่างเต็มที่เพราะจิตยังต้องทำงานคอยสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอยู่ถ้าเราต้องการให้จิตหยุดทำงานต้องการให้จิตนิ่งเต็มที่เราก็ต้องให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเพราะนั้นพอร่างกายนั่งอยู่เฉยๆจิตก็ปล่อยร่างกายได้ไม่ต้องไปสั่งร่างกายให้ทาอะไร ก็มาคอยควบคุมความคิดเท่านั้นเองมาพุโทโธพุโทโธไปถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวความคิดต่างๆก็จะหายไปหมดพอหายไปจิตก็จะสงบนิ่งสบายมีความสุขขึ้นมา เ, ออเป็นความสุขที่ดีกว่าการไปเที่ยวกับการไปรับประทานอาหารเย็นกับการไปร่วมลำดอนกับแฟนออถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่เรารักษาสี่งแปดกัน แต่ถ้าเรายังหาความสงบไม่ได้ทำใจให้สงบไม่ได้เราลจะรู้สึกอึดอัดเวลาที่เราจะต้องรักษาสินแปดเพราะว่าเราจะถูกกำจัดวิธีหาความสุขต่างๆไปนั่นเองแต่พอเรามาทำใจให้สงบได้ใจเราก็จะหายอึดอัดใจของเราก็จะเย็นจะสบายมีความสุขอันนี้คือการนั่งสมาธิเราต้องมีสติ แต่การจะมีสติได้เราต้องขยันต้องหมั่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงทําตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาพอจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนก็พุทโธพุทโธเลยโดยเฉพาะวันที่เราไม่ต้องทํางานนี้เราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องการทํางานพอตื่นขึ้นมาก็คอยดูแลร่างกายเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองในวันหยุดเมื่อเราไม่มีภารกิจอะไรต้องทํา นอกจากคอยเลี้ยงดูร่างกายแล้วทำความสะอาดให้กับร่างกายพอตื่นขึ้นมาก็พาร่างกายไปอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารขณะที่ทํากิจกรรมเหล่านี้เราไม่ต้องใช้ความคิดมากเราก็ยึบอย่าปล่อยให้มันคิดว่าบัญชาคิดเราก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดมันคอยท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอาบน้ําก็พุทโธไป นั่งหน้าแปลงฟันก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไปถ้าอย่างนี้แล้วเราจะมีสติคอยควบคุมความคิดได้แล้วพอเราไม่ต้องทำอะไรเราก็นั่งเฉยๆนั่งสมาธิต่อใช้พุโทโธพุธโทโธไปหรือถ้าเราไม่พุโทโธเราจะเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูลมหายใจที่ปลายจมูก ลมเข้าออกตรงปลายจมูกเราก็ดูตรงจุดนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้หายใจสั้นหายใจยาวหายลึกหายใจลึกให้รู้เฉยเฉยรู้ว่าตอนนี้ลมกําลังเป็นอย่างไรลมกําลังเข้าหรือลมกําลังออกลมหยาบหรือลมละเอียดลมลึกหรือไม่ลึกนี่ให้รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปควบคุมบังคับลม ให้รู้เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้เดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบอสพอสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาจะทำให้ความทุกข์ยากลำบากที่เกิดจากการรักษาศีลที่เกิดจากการเจริญสติที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้หายไปหายไปหมดจะทำให้มีความสุขจะเห็นคุณค่าของการนั่งสมาธิ จะเห็นคุณค่าของการเจริญสติจะเห็นคุณค่าของการรักษาศิ่งแปดขึ้นมาเพราะจะทำให้เราได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการกระทาจากสิ่งอื่นๆนี่แหละคือวิธีสร้างความสร้างความสุขสร้างที่พึ่งที่เป็นที่พึ่งแท้จริงที่เป็นที่พึ่งของตนเองเพราะอยู่ในตัวเราเอง ความสงบนี้อยู่ในใจของเราเราไม่ต้องอาศัยใครมาสร้างความสงบให้กับเราไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ไม่ต้องอาศัยพี่น้องไม่ต้องอาศัยเพื่นอนฝูงไม่ต้องอาศัยเงินทองไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายมาให้ความสุขกับเราอาศัยสติอาศาัยศาีลแปดรักษาศีลแปดอาศัยสติอาศัยการนั่งสมาธิเราก็จะได้ความสุขแบบนี้ขึ้นมา แต่ยังเป็นความสุขแบบขั้นระดับไม่ถาวรคือได้มาแล้วพอเราเวลาเราออกจากสมาธิมาความสุขนั้นก็จะจางหายไปถ้าเราอยากจะได้ใหม่เราก็ต้องนั่งใหม่แต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถรักษาความสุขที่เราได้จากความสงบไม่หายไปก็คือเราต้องใช้ปัญญาต้องเรียนรู้ว่าทําไมทำอะไรจึงทําให้ความสุขที่เราได้จากสมาธิหายไปอ อรหพตตเจ้าเป็นคนพบว่าสิ่งที่จะทำให้ความสุขที่เราได้จากสมาธิหายไปคือความอยากต่างๆเช่นพอเราออกจากสมาธิมาพอเราอยากจะไปดื่มกาแฟนี้ความสุขที่ได้จากความสงบ ก, ก็จะหายไปอยากไปสูบบุหรี่อยากไปดูหนังอยากไปฟังเพลงนี่ก็จะทำให้ความสุขที่ได้จากความสงบหายไปถ้าอยากจะให้ความสุข นี่อยู่ต่อไปไม่หายก็อย่าไปทําตามความอยากฝืนความอยากถ้าเราฝืนความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหายไปมันจะไม่มารบกวนใจเรามันจะไม่มาทําลายความสงบนี่เรียกว่าปัญญาให้รู้ว่าสิ่งที่จะมาทําลายความสงบที่เราได้จากสมาธิคือความอยากต่างๆความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่น หรือความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนั้นไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้นี่คือความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสงบของใจถ้าเกิดความอยากเหล่านี้เราเราต้องหยุดเราต้องปล่อยวางปล่อยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปอยากนั้นเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าได้ก็เป็นได้บางเวลา เวลาได้ก็ดีใจแต่พอเวลาไม่ได้ก็จะเสียใจงั้นอย่าไปสั่งดีกว่าปล่อยเขาไปดีกว่าเพราะเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้กันก็เป็นสิ่งชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็ต้องตายจากกันไ ป, ไปวุ่นวายกับเขาทําไมไปคอยควบคุมบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําไมควบคุมบังคับถ้าเป็นแทบตายเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันอยู่ดีแล้วก็ใจเราก็วุ่นวายไปเปล่า สู้ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาดีกว่าบอกเขาแล้วถ้าเขาไม่เชื่อก็จบเพราะเรารู้ว่าเราไปควบคุมบังคับก็ไม่ได้อืนี่คือวิธีที่รักษาความสงบที่เราได้จากสมาธิแมห่หายไปเวลาเกิดความอยากเราต้องหยุดความอยากฝืนความอยากอยากดูก็อย่าไปดูอยากฟังก็อย่าไปฟังอยากดื่มก็อย่าไปดื่มแล้วต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหมดไปแล้วสมาธิ คือความสงบที่เราได้ก็จะอยู่กับเราไปตลอดโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้นี่คือความสงบที่ถาวรที่เป็นที่พึ่งที่ถาวรที่เราไม่ต้องทำอะไรเพราะมันจะอยู่กับเราไปตลอดเวลาผลเกิดจากการที่เราได้รักษาศีลได้นั่งสมาธิได้เจริญปัญญากันได้มีศรัทธาเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแลวน้อมนํา อ, อกไปปฏิบัติ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 เอวามวะอิโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปฏทถิตังตุมหังกิปะมวะสมิจฉตุสัพเพโปรเนตุสังกปาจันโทปนาฬโสยธา m ณิโ a ต l y ระโสยธาสพพพิตโยวิวาจาัตุสัพพโรโควินาสตุ มาเตพาวตวันตายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทานสีดิสนิจางุธาปจายนโนจตารธรรมาวทานติอายุวนโนสุขังภาลาังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหา ใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมหลังจากเลิกประชุมแล้วก็งดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษมาให้คนเ็้าอ่านได้ถ้าอยากจะถามเดี๋ยวรอปร๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะส่งไม่์ไปให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สามร้อยสสิบแปดคนครับ y o u t u ร้อยสิบเจ็ดคนครับ ผู้เราฟังบนเขา121คนอ่าวิดิโออนไลน์26คนรวมทั้งหมด612คนแล้วก็มีเพิ่มจังหวัด66ที่เราฟังครับอาจารย์เป็นจังหวัดประจวบคิรีกันธนะครับอ่าประจวบเพิ่มมาแล้วที่ยังไป่ไดฟังนะอาจารย์บอกไหมครับยังไม่ต้องก็ได้ไม่พูดไปก็ได้จังหวัดที่เรายังไม่มีชื่อมีอะไรบ้างที่ยังไม่มีชื่ออจังหวัดชุมพรบึงกาฬปัตตานีพังงา แม่ห้องสอนระนองสตูลสระแก้วหนองวัวลํำพูอำนาจเจริญและจังหวัดอุทัยธานีครับอาจารย์ได้เผื่อก็อยู่ตามจังหวัดนี้ถ้าติดตามก็ส่งข้อความมาแจ้งให้ทราบด้วยเราจะได้รู้ว่าหวยแพร่ไปถึงกี่จังหวัดแล้วอ่ตอนนี้ส่งไมโครโฟนให้ทางญาติโยมทาง น, น, นี้หน่อยทางญาติโยมอยากจะถามปัญหาตามนรตการท่านอาจารย์ค่ะเออ ม <Okay>, okay. ีเรื่องจะกลับเรียนถามผ้าจารย์ค่ะ <Okay. S 2> เออตั้งแต่ปฏิบัติมาเนี่ยทําไมเดี๋ยวเนี้ยเวลาที่เราภาวนาอยู่โคนทักเนี่ยเรามักจะตกใจง่ายจนคนเขาบอกว่าขวัญอ่อนมันแล้วแต่จิตเราอาจจะไวขึ้นก็ได้มรับรู้สิ่ง ต, ต่างๆได้ไวขึ้นก็เลยมีปฏิกิริยากับสิ่งที่นั้นได้เร็วขึ้นก็ได้ แต่จะว่าอ่อนไม่อ่อนอยู่ที่ว่าใจเราสั่นหรือไม่สั่นถ้าเราตกใจแล้วเราเฉยเฉยก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้สั่นนะคะแต่ว่าเราจะพอเขาทักทำอะไรอุ๊บเนี้ยค่ะเขาไปบอกอุ้ยฝันอ่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้ผิดปกติใช่ไหมคไม่ผิดปกติแล้วเรื่องที่สองค่ะคือเมื่อเกือบสิบปีมาแล้วเนี่ยจะฝันรู้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีแต่ว่า ช่วงปลายปีเนี่ยฝันไม่แม่แล้วแล้วก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมาอย่างเช่นจะมีเสียงสวดมนต์ได้ยินมาบ่อยๆ บ, ยบางครั้งนั่งสมาธิอยู่ก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ประจำเลยค่ะประมาณสองเดือนคือมประมาณสองเดือนตั้งแต่มกรา ถ, ถึงกุมภาแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือพอเดือนมีนาเสียงสวดมนต์ก็จะหายไปแต่ว่าก็จะเป็นตะคิว ช่วงบนเนี่ยคะ่ะทางบางทีก็หน้าอกด้านซ้ายใกล้ๆหัวใจก็ภาวนาบางครั้งนั่งสมาธิอยู่ตะขิวก็ค่อยๆขึ้นเราก็สู้กับเขาด้วยการภาวนาแล้วก็หายไปแล้วก็ระยะนี้ฝันจำไม่ได้เลยขนาดในขณะฝันเนี่ยบวนน้ำลายรถหน้าตัวเองพอตื่นขึ้น ไม่เหลืออะไรแม้แต่นิดเดียวก็อยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าคือมันผิดปกติของร่างกายหรือว่าเกิดจากการปฏิบัติอ๋อมันเป็นเรื่องของจิตใจนะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไม่แน่นอนบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดให้พิจารณาว่ามันเป็นายลักไปาบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดบางเกิดแล้วบางทีก็หายไปว่าจำไม่ได้ ใครเรารู้เฉยๆไม่ต้องไปกังวลกับมันให้รู้ว่ามันเกิดแล้วดับไปแล้วผ่านไปแล้วเรากลับมาอยู่ที่ปัจจุบันทำใจเราให้สงบก็พอปัญหาสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ใจเราไปยุ่งกับมันไปสงสัยไปอยากรู้อยากเห็นว่ามันเป็นอย่างนุ้นเป็นอย่างนี้ก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ลองไปรู้ว่าทาไมเรื่องอะไรเราก็ตั้งแต่ที่ ที่จําอะไรไม่ได้ฝันจําอะไรไม่ได้เนี่ยเพ่อก็พยายามไม่นึกถึงอดีตไม่นึกถึงปัจจุบันก็พยายามนึกถึงบทของสวดบทพัฒนเทนะคะ่ะก็คิดว่าถ้าเรานึกได้ก็จะเป็นธรรมะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็พยายามนึกอยู่ทีนี้ข้อสุดท้ายที่จะเรียนถามพระอาจารย์ก็คืออยู่บ้านก็จะภาวนาตลอดทีนี้ตอนเนี้ยอารมณ์คือทุกอย่างก็สมบูรณ์แล้วคือกเกษียณมาแล้วทุกอย่างลูกเต้าก็เป็นคนดีแล้วก็มั่นคงแข็งแรง แต่ความทุกข์มาเข้ามาในขณะที่ในขณะที่แบบเราสมบูรณ์อยู่เนี่ยอารมณ์ความทุกข์เข้ามาอารมณ์ความเผื่อบางครั้งเนี่ยเบื่อมากแทบจะไม่มีชีวิตอยู่แต่ว่าก็ก็ใช้วิธีภาวนาเอาละเราก็ดูลมหายใจไปให้ให้แลกกับสิ่งที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเอาขอขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเกิดจากที่เขาบอกว่าเราจะไปโรคซึมเศร้าหรือว่าเกิดจากการปฏิบัติคะเกิดจากการไม่มีสติควบคุมอารมณ์ควบคุมความ คิดความอยากของเราจิตมันอยากนู่นอยากนี่มันก็เลยทําให้เราเกิดอาการเบื่อหน่ายบ้างซึมเศร้าบ้างมันลึกก่อนที่เราจะรู้ได้นะมันถ้าเกิดอารมณ์แล้วแสดงว่าความอยากเกิดขึ้นแล้วและวิธีที่จะแก้ก็พยายามเจริญสติพุทโธพุทโธไปพ่ออาจารย์คะคือความอยากตอนเนี้ยแทบไม่เหลือแล้วเพราะไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยใช่ความอยากหยาบๆมันไม่เหลือแล้วแต่ความอยากลึกๆ ล, ละเอียดมันเราเข้าไม่ถึงเย มันยังมีอยู่อันนี้แหละที่จะทำให้เราเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันมียังเป็นยังเป็นผลของความอยากอยู่แต่มันละเอียดเรามองไม่เห็นสติปัญญาเราไม่ทันมันด <c oughs> ังนั้นเราต้องสร้างสติขึ้นมาเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไปคิดให้มากพุทโธพุทโธหยุดความคิดไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเบาจะดีขึ้นมาเองก็พยายามอยู่แล้วเพราอารมณ์ไม่ดีอยากให้มันหายมันก็ยิ่งเป็นยิง่งยิ่งอารมณ์ไม่ดีใหญ่ อารมณไม่ดีก็ต้องรู้ว่าไม่ไม่ดีรู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปรู้ว่าไม่เที่ยงรู้ว่ามันเกิดแล้วดับแต่เราไม่รู้เฉยๆเพราะรู้อะไรไม่ดีก็อยากจะให้มันหายมันก็ยิง่งมันก็ยิ่งวุ่นวายขึ้นมาใหญ่ต้องหัดเฉยๆรู้เฉยๆรู้เฉยๆยังทําไม่ค่อยเก่งค่ะแต่จะใช้ตรวจตรวจมนหรือว่าพุทโธได้ก็สวดได้สวดได้สวดพออารมณ์ไม่ดีก็สวดไปแล้วเดี๋ยวก็อารมณ์นั้นก็จะหายไป ไม่ใช่เริ่มก่ออาการเป็นโรคอย่างที่เขา<ม><อ>กล้วสติเราไม่ทันกิเลสพูดง่ายๆตอนนั้นเราเผลอสติเราไม่มีสติควบคุมใจมันก็เลยโผล่ขึ้นมาสร้างอารมณ์ต่างๆใส่เรางั้นเราต้องหมั่นบุษบุญสร้างสติขึ้นมาเรื่อยๆหมั่นสวดไปเรื่อยๆก็พยายามสวดอยู่คือพี่ที่ปฏิบัติมาตอนแรกก็ก็ ใช้สวดมนต์ละใช้สวดธรรมจกักรทั้งวี่ทั้งวันได้สวดเป็นทั้งวันแล้วถ้าสวดอยู่มันจะไม่มีอารม์ถ้าพอหยุดสวดเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาพเอเผลอใช่ไม่มีสติคุมมันมันก็โผล่ขึ้นมาก็คือที่เรียนถามพระอาจารย์ก็กลัวจะเป็นโลกอยู่สองโรคก็คืออัลไซเมอร์เพราะว่าอไม่เป็นะถ้าคนปฏิบัติธรรมสัญญาไม่เป็นเพราะมีสติ สติดีเท่าไหร่มันจะไม่ไม่ไม่ไมหลงไม่ลืมมันรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็โลกซึมเศร้าเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยความทุกข์มันแย่แย่ไปหมดอะไรมันก็เป็นความทุกข์ซึมเศร้าเพราะเกิดเกิดกิเลสอย่างอยากน่นอยากนี่ขึ้นมาพอไม่ได้ก็ซึมเศร้าขึ้นมาแต่ถ้าเรามีพุโทโธมันความอยากมันก็จะไม่เกิดมันจะไม่ซึมเศร้ามันจะว่างจะเย็นจะสบายนั้นอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจสวดสว ด, ดไปเรื่อยอออน ะ, อะ กราบเรียนพระอาจารย์เท่านี้ค่ะอ่าสาธุส่งต่อไปถ้าอยากจะถามค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์หนูมาที่นี่ครั้งแรกหลงก็คือตัวเองเนี่ยเพิ่งจะเคยที่จะคือเข้าทางเส้นทางนี้นะคะอาจจะเป็นคําถามที่ดูแปลกๆคือคือเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจว่าการทําบุญการไปเอาของไปให้คนหรือว่ามาทําบุญเอาของมาถาวายพระเนี่ยคือบุญ พอพอมาตอนหลังเนี่ยถึงได้เขาถึงมีคนพูดว่าการนั่งสมาธิหรือภาวนาเนี่ยจะได้บุญมากกว่าหนูก็ไม่เข้าใจว่าแค่นั่งหลับตาเนี่ยบุญมันจะเกิดตรงไหนความสุขใจไงความสุขใจคือบุญทําบุญแล้วก็เกิดความสุขใจใช่ไหมเวลาเราไปช่วยคนนั้นคนนี้ให้ให้เขามีความสุขเราก็เกิดความสุขใจอันนี้เรียกว่าบุญ แล้วความสุขใจรักษาศีลก็ได้บุญเพราะเวลารักษาศีลใจเราสบายไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจอันนี้ก็บุญนั่งสมาธิจิตสงบก็มีความสุขก็บุญเหมือนกันบุญต่างๆเหล่านี้มันมีมากน้อยต่างกันหนักเบาต่างกันบุญจากการทำทานน้อยกว่าบุญจากการรักษาศีลบุญจากการรักษาศีล น, น้อยกว่าบุญจากการนั่งสมาธิ แต่จะทําต้องทําจากขั้นต่ําขึ้นไปขั้นสูงจะไปขึ้นไปที่ขั้นสูงเลยไม่ได้ถ้าเรายัางทําทานไม่ได้เราต้องหัดทําทานไปก่อนทําทานได้เราก็หัดรักษาศีลไปแล้วค่อยบาหัดนั่งสมาธิรักษาศินหมายถึงสิลห้านี้สินห้าก่อนแล้วก็ต่อไปก็สินแปดถ้าอยากจะนั่งสมาธิก็ต้องถือศีนแปดเนะ่ยไมงั้นนั่งไปก็ไม่สงบนั่งไปแล้วก็ไม่สุขไม่เกิดบุญขึ้นมา นั่นต้องเป็นทําเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นต้นก็หัดสละเงินทองเข้าของไปก่อนขั้นที่สองก็หัดรักษาศีลห้าไปคือเรื่องสละตอนนี้คือสละได้แล้วอ่าก็สละไปด้เรื่อยนี่อย่าโห่วงอย่าอะไรมีเท่าไหร่ก็สละไปต่อไปต้องสละหมดเลยเพื่อจะได้ไปนั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนไปบวช น, นั่นน่ะนั่นทํำไมถึงต้องทําบุญหัดทําบุญเพาะต่อไปถ้าอยากจะได้บุญจากสมาธินี้ต้องไปบวช อถ้าเป็นค า, า, ารวาสไม่ไม่มีเวลาที่จะทําได้อย่างต่อเนื่องต้องเป็นนักบวชไม่ต้องมีภารกิจอย่างอื่นต้องทําก็จะได้มาคอยนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ทั้งวันแล้วนะเวลาที่เราเหมือนจิตใจเรามันฟุ้งซ่านคิดแต่เรื่องเดิมๆเนี่ยคะ่ะก็ไม่มีสติไงเราต้องไปฝึกสติก่อนหยุดสติใช้พุโทโธหยุดมันออกมาคิดถึงคนนั้นคนนี้กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปลดส่วนมนไป ส่วนคนอันไหนครับอันไหนก็ได้เราชอบบทไหนสวดไปสวดไปซ้ำไปซ้ํำมากลับไปกลับมาจนกว่าความคิดต่างๆจะหยุดไปแล้วก็หยุดถ้าเราไม่สวดมันก็จะคิดไปเรื่อยแต่ถ้าเราสวดแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดคิดนะกับนรรมสการพระอาจารย์ครับขอเข้าคําถามการปฏิบัตินะครับอพูดดังๆเลยครั้งก่อนโยมมากับ ถามพระอาจารย์เรื่องการเวทนานี่ครับโยมคิดว่าเวทนาเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันกายครับอย่างเช่นว่าไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยมันปฏิกิริยาอัตโนมัติเนี่ยเราต้องรักษากายก็ต้องดึงออกมาจากไฟครับทีนี้เวลานั่งเนี่ยพระอาจารย์ไม่ขยับเลยพระอาจารย์บอกว่าใจไม่ใจไม่เจ็บลูกศิษย์ก็มันเจ็บทั้งกายใจมันก็เจ็บฮะ แต่ทีนี้เนี่ยคำถามคือว่าข้ามเวทนาแล้ว น, นะนะัจะได้อะไรเพราะเพราะเวทนาในความเข้าใจของโยมคือไว้ป้องกันกายเนี่ยที่เป็นเครื่องมือที่จะไปถึงประตูแห่งมรรคผลนิพพานได้เนี่ยต้องใช้กายมนุษย์ต้องรักษาไว้ให้ได้ครับมไม่ใช่เหรอเข้าใจผิดร่างกายนี้รักษาไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องตา ย, ยางั้นคิดว่าเวทนามารักษากายให้อยู่มันไม่ถูกแล้วผิด แล้วอย่างเวทนานี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันมันเกิดเพราะมีการมาสัมผัสอะไรกับทางร่างกายเช่นไฟมาแตะร่างกายมันร้อนมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาพอเกิดเวทนานี้มันก็ใจก็จะมีปฏิกิริยาไปทุกขกับความทุกข์ของร่างกายด้วยที่เราต้องการฝึกก็เพื่อฝึกใจไม่ให้ไปทุกขกับความทุกข์ของทางร่างกายก็ต้องสอนใจให้อยู่เฉย ร่างกายจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปอันนี้ช่วงช่วงที่เราฝึกขัดนะแต่ช่วงที่เราไม่ได้ฝึกขัดเกิดร่างกายเจ็บเราก็รักษามันได้ก็รักษาไปไฟมาเผาร่างกายก็หนีมันอันนี้แต่ที่เวลาที่เรานั่งสมาธิแล้ว เ, เจ็บนี่ไม่ให้มันขยับเพื่อให้เราฝึกใจให้อยู่เฉยเฉยไม่ให้ไปเจ็บกับความเจ็บของร่างกาย เพราะว่าต่อไปเวลาร่างกายเจ็บแล้วเราไม่สามารถขยับตัวหรือขยับแล้วมันไม่หายใจเราจะทรมานถ้าเราอยากจะให้มันหายแต่ถ้าเราฝึกให้ใจเราเฉยเฉยไม่ไปอยากให้มันหายต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่ทรมานไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายอันนี้คือวิธีฝึกเวทนาเพื่อทำให้เราปล่อยวางเวทนาได้ออขออีกคำถามนะครับ การข้ามเวทนาเนี่ยครับเหมือนกับสงครามนะครับสงครามนี้มีทั้งสู้ทั้งถอยนะครับก็เราสู้เวทนาไม่ไหวเนี่ยถอยหลบแล้วจะบรรลุธรรมได้ไหมครับก็หลบก็บรรลุไม่ได้ก็เพียงแต่ขอยถอยไปตั้งหลักก่อนเช่นใช้สติพุทธโธพุทธโธไปถ้าเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปจิตก็จะถอยเข้าไปข้างในแยกออกจากเวทนาชั่วคราวแต่ถ้าไม่ถอยก็ต้องใช้ปัญญา <inequ ity> ดูว่าเวทนามันไม่น่ากลัวหรอกสิ่งที่น่ากลัวคือความอยากให้เวทนามันหายตัวนี้ที่ทำให้เราทุกข์กันไม่ใช่ตัวเวทนาที่ทำให้เราทุกข์ตัวที่ทำให้เราทุกข์คือความอยากให้เวทนาหายแต่เราอยากไม่ได้เพราะอยากแล้วมันไม่หายก็อย่าไปอยากเลยอยู่หัดอยู่กับเวทนาไปถ้าเราหัดอยู่กับเวทนาได้เราก็ไม่ต้องถอยเราก็ไม่ต้องกลัวเราก็จะไม่เราก็จะไม่ทุกข์ เราก็จะผ่านเวทนาได้ผ่านด้วยปัญญาเพรารู้ว่าเวทนามันไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งที่เราต้องสัมผัสรับรู้เราห้ามไม่ได้บังคับแต่ไม่ได้ถ้าเราไปอยากแล้ว เ, เราจะทุกข์ถ้าเราไม่อยากเราอยู่กับมันเฉยๆเราจะไม่ทุกข์ขอบพระคุณครับอถ้ามีใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาได้นะอถ้าไม่มีจะให้คําถามทางบ้านถาม คำถามจากทาง Facebook ค่ะคุณจงศนีในปัจจุบันมีคาาวาสบางคนบรรยายธรรมสอนคนบางทีก็จับจ้วงวิจารณพระสงฆ์องค์เจ้าในทางที่ไม่ดีถ้าคนคล้อยตามก็จะไม่ค่อยไปทำบุญที่วัดกันแต่หนูไม่เห็นด้วยกับคนกลุ่มนี้ควรวางใจอย่างไรดีคะเมตตาอธิบายด้วยค่ะก็ะในโลกนี้พระเจ้าบอกมีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทา เป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปห้ามได้ไปสั่งได้แต่เราไม่ควรที่จะไปตื่นเต้นยินดีหรือยินร้ายกับมันให้ยอมรับตามความเป็นจริงเหมือนฝนตกตอนนี้เราก็ห้ามฝนไม่ได้เราก็ต้องหัดอยู่กับมันไปถ้าเราหัดอยู่กับมันได้เราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเราไปยินดียินร้ายกับการจัรเสือรื่นินทานเราก็จะวุ่นวายใจ เราต้องเฉยเขายินดีเ ข, เขาสราสระเสริญแล้วก็ฟังไว้ว่าเขาสรรละเสริญรู้ว่าเขาสรรละเสริญเขานินทาเขาจับจ้วงก็รู้ว่าเขาจับจ้วงนินทาแต่เราห้ามเขาไม่ได้เขามีปากแต่เราห้ามใจเราได้ใจเราอย่าไปเดือดร้อนกับการพูดของเขาเราก็ปัญหาก็จะจบคำถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะกล่าวเปียถามพระอาจารย์ว่า ถ้าอยากออกจากเรือนไปปฏิบัติตลอดแต่เราเป็นผู้หญิงจะออกปไปปฏิบัติที่ใดและต้องเริ่มต้นอย่างไรเจ้าคะก็ลองไปอยู่ตามวัดป่าก่อนแต่ละวัดป่านี้จะมีที่พักให้ผู้หญิงอยู่ได้เบื้องต้นเขาก็จะให้อยู่ชั่วคราวก่อนสองอาทิตย์บ้างเดือนหนึ่งบ้างถ้าเราอยู่ไปแล้วเรารู้จักกับเจ้าอาวาสแล้วท่านเห็นว่าเรามีแววมีความสามารถ ท่านก็อาจจะเมตตารับเราให้อยู่ประจําต่อไปก็ได้แต่เราต้องแสดงฝีม้ลายมือของเราให้ท่านเห็นอย่าไปอยู่เพื่ออาศัยวัดกินนอนก็แล้วกันไปอยู่ก็ต้องไปปฏิบัติอย่างจริงๆ จ, จังๆแล้วก็ไม่เกียดคร้านเออไม่จู้จี้จุกจิกไม่ไปก่อเรื่องก่อเรามีปัญหากับคนในวัดนี้เอถ้าท่านเห็นว่าเราเป็นคนที่ เข้มข้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็จะยินดีสนับสนุนเราเองคำถามจากทางยูทู e ค่ะฟังพระอาจารย์เทศเ ก, เกือบทุกวันทำให้ไม่ลืมเรื่องความตายคิดเสมอว่าตายได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นกระทันหันถ้าต้องประสบจริงๆจะวางใจอย่างไรดีคะ ก็คิดว่าเป็นเหมือนกับการนอนหลับก็แล้วกันความตายก็คือการนอนหลับเพื่อไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่พอเราตื่นขึ้นมาเราก็ได้ร่างกายอันใหม่เวลาคลอดออกมาเราก็ได้ร่างกายอใหม่ในร่างกายที่เราได้อันนี้ก็เราก็เมื่อก่อนเราก็ไม่มีร่างกายนี้เรามีร่างกายอันเก่าพอร่างกายอันเก่ามันถึงสภาพหมดสภาพไปเราก็นอนหลับฝันไปฝันดีก็เป็นบุญพาไปพาฝันไป ฝันร้ายก็บาปพาฝันไปพอเราได้น่างกายใหม่เราก็ตื่นขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองยั้นการนอนหลับก็การตายก็ถือว่าเป็นการไปเปลี่ยนร่างกายส่วนเวลารอก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปไปฝันไปฝันดีฝันร้ายไปฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์ฝันร้ายก็เรียกว่าอบาย แล้วพอได้ร่างกายใหม่ออกคลอดออกมาจากท้องแม่พอออกจากท้องแม่มาก็ลืมตาเติ่งขึ้นมาอ๋อได้ร่างกายใหม่นะแล้วเ้วก็มามาอยู่ต่อไปใหม่แล้วเดี๋ยวก็ตายใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเบื่อเบื่อการเกิดการจะเบื่อการเกิดไม่อยากเกิดก็ต้องไปปฏิบัติธรรมไปบวชไปหยุดความอยากต่างๆเพราะความอยากเป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดกันพอเราตัดความอยากได้หมดความอยาก เราก็ไม่ต้องมาเกิดใจเราก็จะเป็นนิพพานไปคำถามจากทางไลน์ค่ะกาเบียนถามพระอาจารย์การปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วทําไมจึงรู้สึกเบื่อหน่ายทางโลกเพิ่มมากขึ้นขอรับเพรารถแห่งธรรมชนะรถทางปวงไงถ้าเราปฏิบัติธรรมได้สัมผัสกับผลที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนี้มันดีกว่าผลที่ได้จากทางโลกแล้าจะทําให้เราเบื่อทางโลกเหมือนเราขับรถเก่า แล้วพอเราได้รถใหม่นี้เราจะเบื่อรถเก่าวะรถใหม่นี้มันสบายกว่าสะดวกกว่าพอขับรถเก่ามันก็เบื่อเดี๋ยวติดบ้างไม่ติดบ้างเดี๋ยวเสียเดี๋ยวไม่เสียแต่รถใหม่นี้ใช้ได้ทันใจทุกเวลานาทีเราก็จะเบื่อรถเก่าชันใดพอเราได้ธรรมะแล้วเราก็จะเบื่อทางโลกไปคำถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะการที่เราทาบุญทากุศลทุกครั้ง แล้วเราอธิษฐานจิตอย่างใดอย่างหนึ่งทุกวันแล้วมันจะสำริธผลจริงหรือไม่คะจะได้ดั่งที่เราขอและอธิษฐานจิตใช่ไหมคะอ๋อไม่หรอกผลเราจะได้ต้องไดจากการกระทำเราปลูกต้นไม้ปลูกข้าวเราก็จะได้ข้าวปลูกข้าวเราไปขอกล้วยยังไงก็ไม่ได้กล้วยแต่นายทำบุญมันก็จะได้ผลจากการทำบุญจะไปขอมากกว่า น, นั้นก็ไม่ได้ งั้นมันต้องดูที่ว่าสิ่งที่เราทําเราได้อะไรเราก็จะได้เท่านั้นจะทําบุญก็ได้ไปสวรรค์รักษาศีลก็ไม่ต้องไปเกิดนอบายถ้าปฏิบัติทําได้ก็ไปนิพพานอันนี้ไม่ต้องขอมั น, เ ป, นเป็นเหมือนเมนูในร้านอาหารอ่ะในร้านอาหารสั่งข้าวผัดเดี๋ยวเขากอาข้าวผัดมาให้กินไม่ใช่สั่งข้าวผัดแล้วเขาก๋วยเตี๋ยวมาให้เราใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะของพระเจ้าเป็นเหมือนเมนูอยากได้อะไรก็ สั่งมาอยากไปสวรรค์ก็ทําบุญนะไม่อยากจะไปเกิดในอบายก็รักษาศีลไปอย่าทําบาปถ้าอยากไปนิพพานก็ไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาตัดความอยากก็ไปนิพพานได้อันนี้ขอไม่ได้คําถามจากคุณทวิชาค่ะกล่าวนามสกุลกลาวนามสกุลพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากเรียนถามว่าตัวรู้อย่างมีสติผ่านวิญญาณทาง อายตนะทั้งหหรือเปล่าคะอ๋อไม่ผ่านแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่ารู้ทันดู้รูปก็จะรู้เฉยๆไม่ไปยินดียินร้ายกับรูปที่ได้รู้ได้ยินเสียงก็ไม่ยินดียินร้ายรู้เฉยๆถ้ามีสติจะรู้เฉยๆพอรู้เฉยๆก็จะไม่ทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้รับรู้ถ้าไม่มีสติก็จะทุกข์พอได้ยินเสียงด่าก็จะทุกขขึ้นมาพอเสียรูปที่เราชอบไปก็เสียใจขึ้นมา ถ้ารู้เฉยๆก็จะไม่ไม่ไม่ทุกข์เพราะรู้ว่ามันเกิดแล้วดับมันห้ามมันไม่ได้อะไรกิอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับก็รู้เฉยๆรู้ตามความเป็นจริงไปคําถามจากทาง y o u ูทูบค่ะพอมองทุกอย่างจบลงที่ความตายเอาอะไรไปไม่ได้เลยที่ทํามาเหนื่อยเปล่าแต่ทานศีลภาวนาสามารถติดกับใจเราได้อย่างนี้ถ้าจะเกิด จะให้เกิดมาใหม่ไม่เสียเปล่าควรทําทานศีลภาวนาให้มากที่สุดคิดถูกหรือไม่เจ้าคะถูกแล้วเพราะเป็นสิ่งที่ติดมากกับใจไปกับใจแล้รักษาใจปกป้องรักษาใจให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์คำถามต่อไปคะ่ะเรียนถามว่าถือศีลแปดแล้วเราแล้วเราใดผมนั่งนอนโซฟาได้หรือไม่คะ ถ้าถือสินแปลงจริงๆก็ไม่ควรถ้าได้ผมเพื่อความสวยงามแต่ถ้าทำเพื่อรักษารักษาสุขภาพร่างกายทําได้แต่ถ้าทําเพื่อเสริมความงานเสริมสวยความงามทําไม่ได้นอนโซโ ฟ, ฟาเพื่อความสุขก็ไม่ควรนอนก็ให้นอนน้อยๆนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายถ้านอนบนโซฟามันนุ่มเดี๋ยวมันจะนอนมากเกินไปแทนที่จะเวลามาปฏิบัติก็เลยไปนอนแทน คำถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะพระอาจารย์บอกว่าให้หยุดให้หยุดคิดมันหยุดคิดได้จริงครับบางคนเขาไม่เข้าใจเห็นผมทําท่าทางคลืมครมหาว่าผมคิดมากผมก็บอกเขาว่าผมไม่ได้คิดทํายังไงถึงจะให้พวกนี้เข้าใจครับพระอาจารย์สาธุครับก็ต้องให้เขาปฏิบัติอย่างเราปฏิบัติเท่านั้นเน่ะสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเนี่ย เขาปิดตาอยู่เราบอกสีเขียวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่รู้หรอกต้องบอกเปิดตาดูซิพอ เ, เปิดตาเขาก็จะเห็นจันใดถ้าเขาอยากจะรู้ว่าการหยุดคิดมันดียังไงก็ให้เ้าลองหยุดคิดดูซิทำคําถามสุดท้ายนะคําถามสุดท้ายนะคะพระโสดาบานันต้องไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่ไม่กลัวตายผมได้ไปตรวจร่างกายปรากฏว่าไขามันในเลือดสูง ตอนนี้ก็ควบคุมอาหารและออกกาลังกายแบบนี้เรียกว่ากลัวตายหรือไม่ครับก็ต้องถามตัวเองมาถามเราได้ไงอันนี้ยังอาจจะไม่รู้เพราะว่ามันยังไม่ใกล้ตายต้องแบบหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเหลือสามเดือนเนี่ยเราดูเสว่าใจเป็นยังไงเฉยหรือว่าวุ่นวายกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างี้ถ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับใจสั่นนี่แสดงว่ายังกลัวตายอยู่ แต่ถ้าเป็นปกติเหมือนก่อนที่จะไปหาหมอพอได้ยินฟังหมอบอกว่ายังไงก็เฉยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไม่กลัวตายอ่าเอาข้อสุดท้ายแถมหน่อยพระโสดาบันไม่ไม่กลัวตายเมื่อสกูนะครับพระโสดาบันกลัวไม่บรรลุธรรมไหมครับออไม่กลัวละเพราะท่านรู้ต้องบรรลุแ น, น่ๆแล้วเพราะท่านเห็นทางแนละ้วถ้าเป็นโสดาบันแล้วนี่จะไปต่อเองโดยเหมือนจุดไฟแนละ้วไฟมันจะลามไปเรื่อยๆ ถ้าถ้าก่อนก่อนจะบรรลุหรือครับกลัวไม่บรรลุไหมครับก็ได้ดังนั้นเป็นกิเลสไงคือกลัวจะตายก่อนที่จะได้บรรลุอาลัวกลัวจะตายก่อนเป็นเป็นปุตุชนคิดพระโสดาบันจะไม่คิดอย่างนี้อพระโสดาบันรู้ว่าตายไปก็ไปทําต่อได้รู้ว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยัมาปฏิบัติต่อได้แต่ถ้าปุตุชนนี้ถ้ากลับมาเกิดไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะปฏิบัติไม่ได้ ้ะไม่มีใครสอนไม่รู้ทางลืมทางยังไม่พบทางแต่พระโสดาบันไม่พบทางแล้วไปเองได้แล้วไม่ต้องมีใครมาสอนต่อเอารล้วนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิริศพิจนาะไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ